พระองค์ได้ค้นพบด้วยพระองค์เองว่าทางสุดตรงสองทางนี้ไม่สามารถพาไปสู่ความสุขหรือการพ้นทุกข์ได้ไม่มีใครมาบอกไม่มีใครมาแสดงให้พระองค์ประจักษ์แต่ว่าเกิดจากการที่ได้ประสบด้วยตนเองได้ทดลองมาแล้วแล้วก็พระองค์ก็ได้เตือนนะว่าเราทั้งหลายเนี่ยอย่าไปเกี่ยวข้องข้องแวะกับ ทางสุดตรงสองทางนี้หลายคนได้สาธยายแล้วก็จะคิดว่าทางสุดตรงสองทางนี้ก็ไม่เกี่ยวข้องกับเราเท่าไหร่เพราะว่าเราก็ไม่ได้ไปถึงกลับไปหมกมุญในกามอย่างชนิดที่เรียกว่าสำมลย เ, เทเมาหรือว่าเที่ยเตรหากามหาความสุขทางกามนี่มาปลนเปิดต น, นอย่างที่เร า, า จ, จะเห็นคนจำนวนหนึ่งนะ เขาทำอยู่เช่นนั้นตามผับตามบาหรือว่าตามห้างสรรพสินค้าหลายคนก็บอกว่าเนี่ยฉันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วก็การทรมานตนแบบฤาษีชีไพรนอนบนตะปูอดอาหารการลมหายใจหรือว่าฝังตัวอยู่ในดินอย่างที่ฤาษีสมัยพุทธกาลหรือแม้กระทั่งทุกวันนี้ยังทาอยู่เนี่ยฉันก็ไม่ได้ทา ไม่ได้ปฏิบัติอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็แสดงว่าฉันอยู่บนทางสายกลางอยู่แล้วอันนี้เราก็อย่าเพิ่งสรุปอย่างนั้นนะเพราะว่าทางสุดโตงเนี่ยมันมีความหมายหลายระดับนะระดับที่ยากที่สุดก็อย่างที่พูดมามันมีระดับที่ละเอียดกว่านั้นซึ่งรวมถึงการที่เวลาเรา ประสบความสุขเช่นได้ฟังเพลงเพราะได้กินอาหารที่อร่อยหรือมีคนพูดถูกใจเราเกิดความดีใจเราเกิดความลิงโลดและเราก็ปล่อยใจให้จมอยู่ในความสุขอย่างนั้นอันนี้ก็จัดว่าเป็นทางสุดตรงในฝ่ายก า, ขขาการสุขคริสการนิยคได้เหมือนกันนะคือจมหรือดื่มดำนะจน ลืมเนือลืมตัวหรือหมดเนื้อหมดตัวไปกับความสุขที่เกิดขึ้นจากการเสพแม้ว่าจะไม่ได้ถึงกับไปปนเปื้อนต้นด้วยกามอย่างที่ใครต่อใครได้ทําให้เราเห็นอันนั้นก็เมื่อใดก็ตามที่เรามีความสุขแล้วเรานะลืมตั ว, ล, ตวลืมตนจมหายเข้าไปในความสุขความดื่มด่านั้น เช่นเวลากินอาหารมันอร่อยนะเราก็ลืมตัวจมเข้าไปในความรู้สึกเพลิดเพลินในรสชาติอาหารนันเนี่ยก็ให้รู้ว่านั่นก็คือการสุขลิการ น, นิยคแบบหนึ่งส่วนเวลาเรามีความทุกข์มีความเศร้ามีความเสียใจมีความโกรธ แล้วเราก็ปล่อยตัวจมเข้าไปหายไปในอารมณ์ความรู้สึกเหล่านั้นแล้วก็พอใจด้วยซ้าที่จะจมดิ่งอยู่ในอารมณ์นั้นขณะมีคนมาชวนให้หลุดจากอารมณ์นั้นเช่นเรากำลังเศร้าสร้อยเสียใจและมีเพื่อนชวนไปเที่ยวบางทียังไม่อยากไปเลยอยากจะนั่งจมดิ่งอยู่ในความเศร้า เพราะว่าความเศร้านี่มันก็มีรสชาตินะที่ทำให้เราเนี่ยอยากจะจมดิ่งให้มันลึกลงไปเรื่อยๆเวลาเศร้าเสียใจเนี่ยเพลงประเภทไหนที่เราอยากฟังเราอยากฟังเพลงมาร์ชเราอยากฟังเพลงป๊อปอยากฟังเพลงที่ทำให้เกิดความกระชุ่มกระชวยหรือว่าเกิดความสุขหรือเปล่านะน้อยคนนะที่อยากจะฟังเพลงแบบนั้นมีแต่อยากจะฟังเพลงที่มันเศร้าส้อย ทำไมเศร้าอยู่แล้วถึงฟังเพลงที่เศร้าส้อยอีกก็เพราะว่าอยากจะจมดิ่งไปในความเศร้าทั้งที่ความเศร้าทำให้ทุกข์นะแต่ก็ยังอยากจะทุกข์ให้นานๆอันนี้ก็เรียกว่าทรมานตนเหมือนกันนะมีเพื่อนคนหนึ่งได้รับจดหมายจากเพื่อนชายซึ่งเธอก็มีความรักแอบรักอยู่แต่ว่าจดหมาย ของเพื่อนชายคนนั้นก็ไม่ได้บ่งบอกว่าเธอมีใจให้เขามีใจให้เธอเลยเธออ่านแล้วเธอก็เสียใจนั่งซึมก็จังหวะ น, นั้นก็มีเพื่อนมาที่บ้านแล้วก็มากดกริง่งตะโกนเรียกอยู่หน้าบ้านจะชวนให้ไปเที่ยวเพอะเธอได้ยินเสียงเพื่อนแทนที่เธอจะมีความสุขหรือดีใจเธอกับ คุณเครื่องใจนะรู้สึกไม่พอใจขึ้นมานึกในใจว่าเวลาสุขก็ไม่สมหวังเวลาจะทุกก็ยังมีคนมาขัดขวางอีกคนเรเวลาทุกข์นี่อยาจมอยู่ในความทุกข์นะเพื่อมาชวนไปเที่ยวไม่ไปบางที่โกรธเพื่อนอีกนะไม่เฉพาะความเศร้านะความความโกรธก็เหมือนกันนะเรามีความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยนะมันก็อยากจะเผาลนจิตใจด้วยความโกรธนั้นให้ รุนแรงมากขึ้นก็จะไปขุดคุยเอาความไม่ดีของเขาเออกเพื่อทําให้ตัวเนี่ยโกรธเขายิ่งขึ้นกว่าเดิมและครั้นมีเพื่อนมาชวนให้มานแนะนําให้ให้อภัยเขาแทานที่จะขอบคุณเพื่อนว่าหวังดีแนละ้วก็กลับโกรธเพื่อนได้ซ้ำนะว่าบางทีก็ว่าว่าเขาอยู่ฝ่ายศัตรูหรือเปล่านะเขาไม่อยู่ฝ่ายเรา ทั้งที่เพื่อนก็ปรารถนาดีอยาให้เราจมให้เราหลุดออกมาจากความเศร้าความโกรธแต่ว่าเรากลับหวงแหนอยากจะจมดิ่งไปในความโกรธหรือว่าอยากจะสุมไฟแห่งความโกรธเผาเราจิตใจเรามากขึ้นไม่ได้คิดอยากจะออกจากความโกรธหรือทำให้ความโกรธลดน้อยลงเลยเช่นการให้อภัยเป็นต้น อันนี้มันก็เท่ากับว่าคือเป็นอัตตากลริมาทานนิยกแบบหนึ่งนะคือพอใจที่จะทำร้ายตัวเองให้ยิ่งกว่าเดิมยันธรามอ่อนแย่างา น, นงีน้่เนี่ยก็จะพบว่าทางสุดตรงสองทางที่พูุ้ทธเจ้าตรัสเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยนะเราก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับมันอยู่เรียกว่าแทบจะทุกวันก็ว่าได้แล้วเพื่เนี่ยถ้าเกิดว่า เราได้ตระหนักเช่นนี้แล้วเนี่ยก็ต้องพยายามนะเตือนตนและสิ่งที่ช่วยเตือนตนเตือนใจเราได้ดีก็คือสตินะเพราะว่าสติเนี่ยเมื่อในยามที่เรามีความสุข ก, กินอาหารอร่อยฟังเพลงเพราะแล้วเกิดความเพลิดเพลินเนี่ยสติมันก็จะช่วยเตือนไม่ให้เราถล่มจมหายเข้าไปในความรู้สึกนั้น หรือว่าเพลิดลิน เ, เ, เรียกว่ายินดีในความรู้สึกนั้นสติช่วยแต่ให้เราเห็นนะความดีใจไม่ใช่เป็นผู้ดีใจเสียเองอย่างที่ได้พูดไปแล้วนะเมือ่อเมื่อเช้าทําไมไอ้การที่ปล่อยใจกลืนหายเข้าไปในความดีใจในความปิติในความลิงโลดเนี่ยมันถึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําก็เพราะว่าไอ้ความดีใจความสุข ที่ว่าเนี่ยซึ่งเรียกรุมๆวากากมาสุขเนี่ยคือสุขที่เกิดจากรูปรดกินเสียงสัมผัสเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะอยู่กับเราไปได้นานถ้ามันอยู่กับเราไปได้นานตลอดช่วยชีวิตนี้เราก็ก็ลงไหลเพลิดเพลินกับมันได้แต่ความจริงคือว่ามันก็ไม่เที่ยงแม้เราจะหวงแหนแม้เราจะรักมันเพียงใด แต่ว่าความสุขมันไม่ได้รักเรามันไม่ได้คิดจะอยู่กับเรานานๆยิ่งเพลิดเพลินในอะไรก็ตามเนี่ยสิ่งนั้นมันยิ่งอยู่กับเราเพียงแค่ชั่วครั้งชั่วคราวประเดี๋ยวประดาสังเกตไหมเวลาเรามีความสุขกับอะไรก็ตามเนี่ยเวลามันจะผ่านไปเร็วมากในทางตรงข้ามเวลาเราทุกข์กับเรื่องใดนี่เวลามันจะผ่านไปอย่างเชื่งช้าถ้ามีคนเปรียบน่าสนใจว่าความสุขเนี่ย ก็เมื่อคนที่เรารักแต่ว่าเขาไม่ได้รักเรานะให้เราจะพยายามที่จะยึดเข้ า, าไว้ครอบครองคราเพียงใดเขาก็อยู่กับเราไม่ได้นานเขาก็มีแต่จะหนีตีจากไปไอ้ส่วนความทุกข์เนี่ยมันคือเปียดเมื่อคนที่รักเราแต่เราไม่รักเขาเราอยากจะผลักสาสายเข้าไปแต่เขาก็กลับตามตื้ออยู่นั่นแหละในเวลาเราเพลิดเพลินดืม่มด่าในความสุขเนี่ย และพอพบว่าความสุขที่ว่ามันเลือนหายไปความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นกับใจของเราแล้วเราก็จะพยายามดิ้นรนเพื่อให้ได้สิ่งนั้นมาแต่ว่าบางครั้งเนี่ยยิ่งดิ้นรนเพยายามมากเท่าไหร่ก็ยิ่งห่างไกลจากสิ่งนั้นเหมือนกับที่พูดไว้นะว่าเวลาเราภาวนาแล้วเราเกิดความปิติเกิดความดีใจคนส่วนใหญ่ที่ เกิดภาะวะเช่นนี้เนี่ยพอถึงวันรุ่งขึ้นเนี่ยความรู้สึกจะตรงข้ามก็คือจะเครียดนะจะหงุดหงิดนะจะหนักอึ้งเพราะอะไรเพราะว่าเสียดายความรู้สึกที่ดีอย่างเมื่อวานแล้วก็ติดใจเมื่อติดใจเราก็ยังอยากก็เลยอยากจะได้ความรู้สึกนั้นทำอย่างไนถึจะได้ความรู้สึกนั้นก็พยายามบังคับบังคับจิตเพื่อให้ใจมันสงบเพื่อให้ใจไม่คิด ฟุ้งซ่านแต่ยิ่งทําเช่นนั้นมันก็ยิ่งทําให้จิตเนี่ยเครียดจิตต่อต้านก็กลายเป็นว่าแทนที่จะได้รับความสงบความโปร่งเบานะก็กลับเป็นทุกข์มากขึ้นอันนี้ใช่เดยเกิดขึ้นกับทุกคนเลยนะเมื่อวานนี้ปฏิบัติ ด, ดีนะแต่พอถึงวันนี้ล้มความขมาม่นง่ายเพราะว่า ความยึดติดความหวงแหนในอารมณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานแล้วก็ไม่ยอมปล่อยวางก็พยายามจะบังคับจิตเพื่อให้ได้อารมณ์หรือสภาวะ น, นั้นอย่างที่เคยได้ไอ้จิตมันก็ยิ่งต่อต้านในการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็มีหลักอยู่นะว่ายิ่งอยากได้กลับไม่ได้นะ ย, ยิ่งอยากสงบก็ยิ่ง ฟุ้งซ่านยิ่งอยากสงบนะก็ยิ่งห่างไกลาจากความสงบแต่เมื่อใ่ก็ตามที่วางความอยากลงเสียหรือว่าลืมความอยากนะในความสงบกลับมาเยือนเรานะีอันนี้ที่จริงมันก็ไม่ใช่เป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับนักภาวนาเท่านั้นนะแม้กระทั่งในชีวิตทั้งโลกเนี่ยเราอยากจะให้ใครรักเราเนี่ยยิ่งเราพยายามทําเท่าไหร่เขาก็ยิ่ง รักเราน้อยลงแล้วก็ระอาเรามากขึ้นเราคงเจอตัวอย่างมากมายแลยอาจะอาจจะประสบด้วยตัวเองนะเราพยายามที่จะให้คนนั่นคนนี้เขารักเราเราพยายามเรียกร้องความสนใจจากเขาจะยิ่งเราทําเท่าไหร่เขาก็ยิ่งระอาเรามากขึ้นหรือถึงกับลาคาญเพราะว่าการไปเรียกร้องความรักจากเขาบางทีมันกลายเป็นการคาดคัน ถ้าไม่มีใครหรอกนะ้าที่ชอบการคาดคั้นนะนะพอถูกคาดคั้นมากๆเขาก็ละอาแล้วเขาก็ค่อยๆถอยหนีห่างไปอันนี้ก็เรียว่ายิ่งอยากได้ความรักก็ยิ่งไม่ได้รับความรักแต่พอเราปฏิบัติกับเขาอย่างทําเป็นธรรมชาติมีความเอือ้อเฟื้อเกื้อกูลมีน้ําใจมีตรีโดยที่ไม่ได้หวังจะให้เขารักให้เขาสนใจเรากลับทำให้เขาเนี่ยหันมาสนใจเรา เข้าหาเรามากขึ้นเพราะว่าเขานับถือน้ําใจหรือว่าประทับใจในความดีซึ่งเป็นธรรมชาติของเรา ใ, ในเรืการภาวนาก็เช่นกันนะยิ่งอยากได้ก็ยิ่งไม่ได้แต่ถ้าไม่อยากได้นี่มันกลับได้นะไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นความสงบความปิตินะหรือว่าความรู้สึกตัวนั่นหลวงพ่อเทียนนั่นหนึ่งแนะนำนะลูกศิษย์ที่เพิ่งมาปฏิบัตินะท่านจะแนะนําว่าเนี่ยให้ทําเล่น นะแต่ทําจริงๆนะหลวงพ่อเทีมักจะพูดสั้นๆ น, นะแต่ว่ามีความหมายนะทําเล่นๆ น, นะก็คือว่าทําโดยที่ไม่มีความคาดหวังใจมันจะฟุ้งบ้างจะเพลอบ้างก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะเราทําเล่นๆนะเหมือนกับเวลาเราเล่นกีฬากับเพื่อนจะเป็นฟุตบอลบอลเล็บบอล น, นะเราแพ้เราถูกเข า, ายิงเข้าประตูไปเราก็ไม่ได้ เสียใจหลายเพราะว่ามันเป็นการเล่นแบบเล่นๆไม่ใช่เล่นเพื่อเอาเป็นเอาตายถ้าเล่นแบบเอาเป็นเอาตายเพื่อชิงแชมป์หนระเพื่อเอาเงินรางวัลให้การเสียประตูสักลูกก็กลายเป็นเรื่องยิ่งใหญ่เสร็จแล้วก็จะโทษตัวเองเสร็จแล้วก็จะโทษเพื่อนร่วมทีมแล้วก็เลยไม่มีความสุขยิ่งเล่นก็ยิ่งเกรงนะบางทีพอจะเตะลูกโทษ แจ้้ที่ลูโถนี่มันห่างประตูแค่สิบเมตรสิบเอ็ดเมตรเท่านั้นแหละก็ยังเตะไม่เข้านะเพราะาอะไรเพราะว่าอยากจะให้มันเข้าเพราะที่ใหญ่เข้าเพราะว่ามันเป็นนัดสำคัญต้องชนะให้ได้ต้องชนะให้ได้เป็นนัดตัดเชือกริ่งตั้งใจจะยิงเพื่อให้เข้าประตูให้ได้เนี่ยก็ยิ่งเตะพลาดเตะผิด น, นี่เราก็เห็นตัวอย่างมาเยอะแล้วไม่ว่าจะเป็นนักฟุตบอลระดับโลกอพอถึง การเตะลูกโทษนัดสำคัญก็เตพะพลาดเตะยิงลอกตกปลาก็มีนะอันนี้เพราะความอยากมากเกินไปแต่ถ้าเราเตะเล่นๆเนช่นเราซ้อมนะซ้อมยิงนี่ก็แทบจะยิงเข้าได้ทุกลูกเลยในการปฏิ บ, บ, บัติก็เช่นเดียวกันในเวลาทำเล่นทเล่นๆ เ, เนี่ยมันจะใจจะฟุ้งบ้างใจจะเผลอบ้างก็ไม่เป็นไรกลับมาเริ่มต้นใหม่แต่ถ้าเราทำด้วยความอยากนะก็จะ ผลไม่ค่อยได้นะเวลาใจฟุง้งใจเผลอนะก็จะก็จะพยายามไปกดข่มควบคุมความคิดไม่ให้มันจิตฟุง้งซ่านยิ่งทําอย่างนั้นก็ยิ่งเครียดบางทีก็พยายามเพ่งนะพยายามเพ่งจิตไว้ให้อยู่กับเท้าให้อยู่กับมือเพื่อที่มันจะได้ไม่ไปเที่ยวไหนยิ่งทําอย่างนั้นจิตก็ยิ่งอึดอัดยิ่งบังคับยิ่งกดข่มมันก็ยิ่งต่อต้าน นะมันก็มีสูตรว่าเนี่ยแรงกดเท่ากับแรงสะท้อนนะวราไปกดข่มความคิดเอาไว้นะมันก็ยิ่งมีแรงต้านแรงสะท้อนแรงขึ้นพอๆกันแล้วทำแบปทําไบก็จะเครียดบางคนก็ไปดักดูความคิดนะไปดักเฝ้าความคิดเพื่อไม่ให้ความคิดมันโผล่ออมากลายเป็นว่ามีความรู้สึกรบเป็นปฏิปักษ์กับความคิดนั้นะถ้ามีมีท่าทีแบบนี้เนี่ยนะก็จะปฏิบัติด้วยความทุกข์ ไอ้ทุกก็ไม่ท้อลร่นะแต่ว่ามันไม่ได้อะไรด้วยนะก็คือว่าห่างไกลจากความรู้สึกตัวมากขึ้นหลวงพ่อเทียนท่านหนึ่งแนะว่าให้ทําเล่นๆ น, นะจะเผลอบ้างจะฟุ้งบ้างก็ไม่เป็นไรบางทีกับดีเสกนะเพราะว่าถ้าเผลอทุกครั้งก็รู้ทุกครั้งนั่นก็หมายความว่าเผลอสิครั้งรู้สิบครั้งเนี่ยมันก็ดีกว่าเผลอครั้งเดียวปฏิบัติไป5้านาทีเผลอครั้งเดียวฟุ้งอย่างฟุ้งเรื่องเดียวนะ อันนี้มันไม่ดีนะเมื่อเทียบกับว่าปฏิบัติในเวลาเท่ากันแต่ฟุ้ง5ครั้ง10บครั้งนะแต่ว่าทุกครั้งที่ฟุ้งก็รู้รู้ทันนะสิรู้เนี่ยมันก็ย่อมย่อมดีกว่าหนึ่งรู้นะงั้นเราลองมองแบบนี้บ้างนะว่าฟุ้งไม่เป็นไรนะเผลอไม่เป็นไรแต่ขอให้รู้ทันนะแล้วเมื่อรู้ทัน บ, บ่อยๆรู้ทันบ่อยๆนะสติก็จะมีกําลังสติก็จะไวเพราะเราได้ใช้สติในการรู้ทัน เราใช้มั น, นบ่อยมันก็จะปราดเปรียวรวดเร็วความรู้สึกตัวก็จะมาเกิดขึ้นกับใจเรานะมากขึ้นใจเราเนี่ยธรรมชาติเนี่ยมันไม่ชอบการถูกมัดถูกล่ามนะเราสมมติว่าเรามีหมามีลูกหมานะเราจะจะให้มันอยู่บ้านเราทำอย่างไรจะให้มันอยู่บ้าน หลายคนใจร้อนนะก็ใช้วิธีมัดล่ามันเอาไว้หรือแม้ก็ขังมันไว้ในกรงมันก็อยู่บ้านนะแต่ว่าทําไปนานๆเนี่ยมันก็จะงุดหงิดมันก็จะอารมณ์เสียเป็นหมาที่หงุดหงิดง่ายและบางทีก็เผือกัดคนได้ด้วยนะเพราะว่าความหงุดหงิดหัวอารมณ์เสียของมันและยิ่งกว่านั้นคือว่าถ้าเกิดว่ามันออกจากกรงเมื่อไหร่หรือว่า เชื่อขาดโซ่ขาดเมื่อไรมันก็จะรีบวิ่งหนีออกจากบ้านออกไปเที่ยวเลยแล้วกว่าจะตามมันกลับมานี่ก็ยากบางทีมันทเที่ยวเตลิดเปิดเปลืกไปจนกระทั่งหลงก็มีแต่มันมีวิธีที่สามารถจะช่วยให้มันอยู่บ้านได้ดีกว่านะก็คือว่าอนุญาตให้มันอยู่บ้านหรือว่าจะออกไปนอกบ้านก็ได้ แต่เมื่อใดก็ตามที่มันวิ่งออกนอกบ้านเราก็เรียกมันเรียกมันเรียกมันกลับมาหม่ๆม่มันก็ไม่ค่อยกลับนะแต่ว่าพอเราเรียกบ่อยๆเรียกบ่อยๆมันก็จะกลับมาเร็วขึ้นเร็วขึ้นเราไม่เราไม่เราไม่เหนื่อยนะที่จะเรียกมันนันพอเราเรียกบ่อยๆเรียกบ่อยๆเนี่ยในที่สุดเนี่ยมันก็จะ กลับมาบ้านไวขึ้นไวขึ้นจนกระทั่งมันรู้ว่าสถานที่ที่มันควรอยู่นัคือบ้านคราวนี้มันก็จะอยู่บ้านได้นานขึ้นบางครั้งอาจจะเพล่อออกไปเล่นนอกบ้านเวลามีเสียงม้าเห่าข้างนอกมันก็จะลืมตัวเพลอ่ออกไปวิ่งออกไปข้างนอกแต่สักพักมันก็จะรู้ตัวแล้วมันก็จะกลับเข้ามาจิตเราเหมือนกับ ูหมานะหรือเหมือนหมาน้อยนะเราอยากจะให้มันอยู่บ้านบ้านคืออะไรบ้านในที่นี้คือกายนะเราเอากายเป็นฐานนะกายที่ยกมือสร้างจังหวะ ย, ย้ายกายที่เดินนี่คือการหาบ้านให้กับใจนะเพราะว่าใจเราในยที่ผ่านมามันเตลดเิดเปิดเปิงมันเที่ยวนะจนกระทั่ง กลายเป็นจิต ท, ที่จอระจัดบางครั้งก็ระหกระเหินนะเดิมทีมันก็ชอบระเหยเร่ร่อนนะระเหยรรท้อนไปกลายเป็นระหกระเหินนะแล้วก็อ่อนล้ากลับมาแต่ละทีก็เพลียาบางทีก็สะบักสะบอมนะใจของเราเนี่ยนะใจที่ไม่ได้ฝึกมันจะเป็นอย่างนั้นนะมันจะเป็น เหมือนกันเด็กใจแตกที่อยากจะเที่ยวตลอดเวลาไม่อยากอยู่บ้านและการที่จะให้เด็กใจแตกอยู่บ้านนี้ไม่ใช่ด้วยการขังเข้าไว้เพราะถ้าหนักเช่นนั้นบ้านก็กลายเป็นคุกไปและใครบางที่อยากอยู่คุกนะเจอคุกเมื่อไหร่ก็อยากหนีเมื่อ น, นั้นนะแต่ว่าเรานะทำกายเป็นบ้านจิตเนี่ยเราอนุญาตนะบ้านก็แปลว่ามีอนุญาตที่จะ ไปหรือมาเข้าหรือออกได้เมื่อทำกายเป็นบ้านก็หมายความว่าจิตเนี่ยมันพร้อมที่จะออกไปข้างนอกก็ได้แต่เราก็พยายามตะล่อมเพื่อให้เขาเนี่ยพอใจที่จะอยู่บ้านคือให้ใจกลับมาอยู่กับกายรู้กายเมื่อเคลื่อนไหวไม่ว่าจะยกมือสร้างจังหวะหรือว่าอาบน้าถูฟันตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่น นัทีใจอยู่กับกายได้เพราะเขารู้สึกว่ากายนี่มันเป็นบ้านแต่ถ้าเกิดว่าเราทำบ้านให้กายเป็นคุกด้วยการบังคับจิตให้แนบแน่นอยู่กับกายบังคับจิตกดมันเอาไว้ไม่ให้มันออกไปจากกายโดยการเพ่งนะอันนั้นเนี่ยจิตมันจะรู้สึกเลยนะว่ากายนี่คือคุกแล้วมันก็จะหาทางหนีออกมาเนะี่มันจะหาทางเลิดออกไปให้ไกลที่สุด พยายามทำกายให้เป็นบ้านนะไม่ใช่คุกนะก็คือว่าอนิยาตให้จิตเนี่ยมันออกไปได้แต่ว่าหน้าที่ของเราคือรู้ทันแล้วก็พยายามเรียกเขากลับมานะสตินี่แหละจะทาหน้าจะทาจะเป็นตัวที่ช่วยให้รู้ทันเนื้อเมื่อใจเผลอออกไปออกนอกตัวสติก็จะเป็นตัวเรียกให้จิตเนี่ยกลับมาอยู่กับเนือ้อกับตัวเมื่อจิตมาอยู่กับตัวเนื้อกับตัวเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมานะ และค ว, วามสึกตัวเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นกับเราได้อย่างต่อนเนื่องนะตอนนี้ความสึกตัวเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับเราเพียงแค่ช่วงแป๊บเดียวแล้วมันก็ไปอีกละเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะเราไม่เคยที่จะฝึกให้เขาเนี่ยกลับมาอยู่บ้านนะก็ปล่อยเขานะออกไปท่องเที่ยวจนกลายเป็นเด็กใจ่แตกหรือว่าเป็นหมาที่ ชอบเที่ยวออกไปเล่นนอกบ้านนะตะพืดตะผือแล้วมันก็ไม่ได้ไปเปล่านะกลับมาทีไรก็หาเรื่องหารามาให้เราทุกครั้งนะเสร็จแล้วบางครั้งจะมากลับมาก็กลับมาถึงแม้ว่าไม่ได้หาเรื่องหารามาแต่กลับมาก็เหนื่อยล้านเะพลียนะให้เรานะให้เราเจรเญสตินะด้วยท่าทีที่ผ่อนคลายมากขึ้น นะอย่าไปคิดเอาชนะความฟุ้งซ่านอย่าไปพยายามบังคับกดข่มจิตนะให้มันเป็นไปอย่างที่เราต้องการนะเพราะว่าจิตนั้นเนี่ยมันเป็นอนัตตามันไม่ใช่ของเราไม่ใช่สิ่งที่เราจะบงการได้เราจะบังคับให้มันหยุดคิดแม้เพียงแค่หนึ่งนาทีหรือห้านาทีเรายังทำไม่ได้เลยหรือแม้ทั้งจะจะคาด เดาว่ามันจะคิดอะไรในหนึ่งนาทีข้างหน้าเราก็ยังไม่รู้เลยมันจะคิดอะไรในสองนาทีข้างหน้านี่เราก็ยังบอกไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราบางทีรถยนต์นี่เรายังคุมได้มากกว่าแต่แม้กระทั่งรถก็ไม่ใช่ของเราเหมือนกันของเราในที่นี้ไม่ได้หมายถึงกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายนะแต่หมายถึงหมายถึงความเป็นจริงตามธรรมชาติ รถนี่เราก็สั่งให้มันให้มันใหม่เสมอก็ไม่ได้ให้มันไม่เสื่อมให้มันทำงานตามที่เราต้องการก็ไม่ใช่ว่าเราจะทำอย่างนั้นได้หน้าที่ของเรานะก็คือว่าเป็นคอยฝึกให้จิตนิเชื่องเหมือนกับเราเป็นสารถีในบทสวดมนต์ธรรวัดเช้าเนี่ยจะมี ตอนนี้ที่พูดถึงพุทธคุณนะแล้วก็บอกว่าผู้เจ้าเนี่ยเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าตอนใช้คำอุตระอุตนะปุริสธรรมสารติปุรนะิสะธรรมสารติสารติคือสารตีนั่นแหละเราอาจจะไม่ใช่มีไม่ได้มีความสามารถขนาดที่จะฝึกคนอื่นได้แต่ว่าเราสามารถจะฝึกใจได้เราสามารถจะเป็นสารตีให้กับจิตใจของเราเนะี่ย ก็คือสามารถจะสอนให้เชื่องได้ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้อยู่ในอำนาจของเรานะเหมือนกับม้านะม้าพยศม้าป่ามันไม่ใช่ของเราในความหมายที่ว่าเราสามารถจะสั่งให้มันเป็นไปตามใจป่าธนาของเราได้แต่ว่าเราสามารถจะฝึกให้เชื่องได้นะเราสามารถจะเป็นสารถีนะหรือว่าผู้ ควบขี่มา้าเพราะว่าเราสอนมันให้เชื่องนะจิตละจิตเนี่ยเราก็สอนให้เชื่องได้นะเมื่อเชื่องแล้วเนี่ยความคิดหรืออารมณ์ใดๆที่เกิดขึ้นนะมันจะไม่มาเป็นนายเราอีกต่อไปแต่ว่าเราจะเป็นนายความคิดนะอย่างที่พูดไว้เมื่อวานนะที่เป็นอยู่ส่วนใหญ่ก็คือเราเป็นท่ายของความคิดและอารมณ์ มันเป็นนายครอบงำคิดอะไรก็มันสั่งให้ด่าก็ดาก่ดามันสั่งให้เศร้าก็เศร้ามันสั่งให้โกรธก็โกรธนะมันสั่งให้ทำารข้าของก็ทำเราอยากจะนอนให้หลับแต่มันบอกฉันจะไม่หลับฉันจะคิดไปเรื่อยเรื่อยเราก็ทำอะไรกับมันไม่ได้ก็ต้องเตลิดเปิดเปิมไปกับมันจนตาสว่างทั้งคืนเลยก็มีอันนี้เพราะว่ามันกลายเป็นนายเราไปซะละ แต่ว่าถ้าเราสามารถจะฝึกจิตให้เชื่อมเหมือนกับเราเป็นสารถีนะครับนะความคิดและอารมณ์นะมันก็จะอยู่ในการการดูแลของเราได้เราสามารถจะใช้มันนะตามที่เราจะเห็นควรหรือว่าเห็นประโยชน์ได้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้นะจากการที่เราได้ปฏิบัติเนะจริญสตนะิทำให้เราเนี่ยไม่ ลงเข้าไปในทางสุดโต่งทั้งสองทางและทำให้กายกับใจนี่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะทำให้เกิดความรู้สึกตัวทำให้เราสามารถที่จะใช้ความคิดนะไปในทางที่ถูกต้องที่เป็นประโยชน์หรือว่าทำให้ชีวิตเกิดความเจริญงอกงามได้เอาคำนี้ก็เพู่อกันเท่านี้นะ